ไก่ที่นี่เยอะนะไก่ไก่ป่าไก่เป็นไก่เชื่องมากเลยว่าไก่ป่าไม่ค่อยเชื่องนะแต่พวกนี้เชื่องแต่บินเก่งนะบินได้ไกลบินเหมือนนกเลยบินแต่ตัวตัวเมียไม่ค่อยบินตัวผู้แข็งแรงเสียงดงัดงดังมันร้องทีนะกล้องจากภูเขาร้องมาถึงนี่ถึี่ ร้องไปร้องมาเลยพากันมาอยู่ในนี้หมดเลยข้างนอกอยู่ยากคนเบียดเบียนมันเยอะนะแถวนี้ก็ยังมีหมูป่าคนก็ไปยิงมาเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะมามารักษาอยู่ที่บ้านมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติมากไม่ยดเบียนสิ่งแวดล้อมมากเบียดเบียนตัวเองในที่สุด ไม่มีความสุขถึงวันหนึ่งธรรมชาติเขาก็ทวงคืนเราทวงคืนตอนนี้ธรรมชาติทาท่าจะทวงภาคกลางคืนละภาคกลางแต่ก่อนอยู่ใต้น้ำนะน้ำเพิ่งลดลงไปเมื่อไม่นานนี้เองหมื่นกว่าปีนีเองจำไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าอ่านหนังสือมานี่ว่าจาไม่ได้ แม่น้ำเจ้าพยาจริงๆอยู่ใต้ทะเละเดิมไม่มีหรอกแม่น้ำน้ำมันลดลงไปนี่น้ำขึ้นขนาดโลกยังไม่เที่ยงเลย โ, <อ>โลกก็แปรปรวนไม่เที่ยงไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรคงที่วันหนึ่งพระอาทิตย์จะใหญ่เข้ามาถึงโลกนะใหญ่ ในตำราเขาพูดถึงไฟบรรลัยกันเวลาสิ้นกับสิ้นกันจักรวาลอันหนึ่งแตกทลาสลายไปไฟเผาเวลาจักรวาลแตกสลายไปพวกสัตว์จะไปเกิดเป็นอาพัสรารือจักอาพัสราเป็นปรมมีแสงสว่าง วัตถุนะัมันสลายตัวไปกลายเป็นแสงสว่างนะพวกนี้อาศัยแสงสว่างอยู่พอเกิดแผ่นดินเกิดอะไรขึ้นมาไหมจิตเข้ามาจับใหม่จับของหยาบๆยาบขึ้นมาร็บนไปเรื่อยๆนะหมุนไปหมุนมาเกิดดับไปเรื่อยๆก็เวียนว่ายตายเกิดมีแต่ความทุกข์เกิดที่ไรก็ทุกทุกทีนะ คนไม่มีสติไม่มีปัญญามองไม่ออกอว่าเกิดแล้วทุกข์ตอนพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะมันจะตรัสรูนะ้ท่านอุตส่าห์ระลึกชาติไปไกลสุดท้ายท่านก็ได้ข้อสรุปคือท่านคงอยากดูว่าสัตว์มันเกิดมาจากไหนอะไรย่างเงี้ยท่านก็พยายามดูตัวของท่านนะย้อนย้อนยอนไปคงอยากไปทําลายต้นต่อของมัน ย้อนไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เสร็จแล้วท่านก็สรุปได้ข้อหนึ่งนะว่าเกิดที่ไรก็ทุกทุกทีแหละดูคนอื่นบ้างคนอื่นตายแล้วก็ไปเกิดอีกดูไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยสุดท้ายได้สรุปอีกเกิดทีไรก็ทุกทุกทีแหละสุดท้ายท่านก็เลยมาดูมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะกิเลสตัณหาพาให้เกิด เกิดเพราะวิชาราักเน่ารักเน่าของความเกิดเชื้อเกิดนานมาแล้วนะสักยี่สบกว่าปีแล้วหลวงพ่อเคยภาวนาแล้วก็ไปกราบหลวงปู่เทศไปรายงานท่านเราดูเข้ามาเห็นจิตนะเห็นจิตนี้มันมีเชื้อเกิดเหมือนมเมล็ดพันธ์ของต้นไม้ เหมือนเม็ดมะม่วงมเม็ดข้าวอะไรเงี้ยมันมีเชื้ออยู่ข้างในนะมันงอกได้อีกมีจิตดวงเดียวนี้นะ้งอกขันห้าขึ้นมาได้อีกจะทำลายยังไงจะทำลายด้วยอะไรท่านก็ตอบทำลายด้วยศีลสมาธิปัญญาท่านตอบหลักไม่ให้นะแต่โอ้มันยากเหยียนแสนเข็ญ น, นะทำลายเชื้อเกิดในจิตในใจในจิตใจเราเป็นมเมล็ดพันธ์ชั้นดีนะ งอกเร็วมากเลยยิ่งตกลงที่ต่ำยิ่งงอกเร็วธรรมดานะต้นไม้ไปปลิวขึ้นไปยอดเขาก็า ง, งอกยากเลยลงที่ต่ำๆก็งอกง่ายใจเรานี่เป็นอย่างนั้นงอกเร็วมากเลยลงที่ต่ำออดอกออกผลรวดเร็วรู้อย่างเดียวนะว่าต้องทำลายเชื้อเกิดนี้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่ไม่รู้จะทำยังไง ก็รักษาศีล น, นะเป็นโยมรักษาศีลห้าหลวงพาอไม่เคยรักษาศีลแดเลยตอนตลอดเวลาที่เป็นคราวาสเนี่ยกินข้าวเย็นทุกวันเลยไม่กินแล้วมันหิวอ่ะกินทุกวันบางวันคิดจะไม่กินนะพออดอดไปพอดึกๆกหน่อยเริ่มเมียงมองไปตามตู้เย็นหาโ น, น่นหานี่นะสุดท้ายก็กินจะได้นะ อุตสาห์ไปหาสลัดมากินเนาะกะว่าจะค่อยๆลดลงไม่สำเร็จหรอกเรามันชอบกินอะทำบุญมาดีมีกินเนี่ยปรับใจตัวเองไม่เคยอดข้าวเย็นเลยนะแต่ถือศีลห้าถือแข็งแรงมากเลยศีลห้าข้อที่ถือยากนะสำหรับหลวงพ่อนะ ตอนเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยข้อห้าถือยากๆผู้ใหญ่ไม่ชอบชวนเรากินเหล้าเราไม่กิ น, นั้าก็ต้องขัดใจกันเราก็ไม่กินโกรธก็โกรธ ว, ว่าคนพานโกรธช่างมันเดี๋ยวครูบาอาจารย์ว่าเราเรายิ่งแย่ใหญ่ถูกคนดีตำหนิแย่ถูกคนไม่มีศีลตำหนิช่างมัน เราไม่กินพออยู่มาหลายปีนะซีเราใหญ่ขึ้นนะต่อมาเรานั่งโต๊ะไหนนะไม่มีใครกินเหล้าเนียนั่งโต๊ะไหนคุยแต่เรื่องพระ <c oughs> มันดึงดูดกันนชี้เมามันก็รวมกลุ่มชี้เมาไปพวกเจ้าชู้มก็รวมกลุ่มเจ้าชู้ไปพวกเล่นทักเครื่องเขาก็รวมกลุ่มของเขาไปะส่องกันใหญ่ควักสองเราไปส่องบ้างเหมือนกันทุกองค์เลย ลกลุ่มเข้าวัดกลุ่มเข้าวัดก็พูดกันแต่เรื่องไปวัดคนมันลงกันด้วยธาตุนะหัดภาวนามาเรื่อยนะรักษาศีลรักษาเข้มงวดจิตก็ฝึกทุกวันฝึกหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกอยู่งั้นไม่เคยเลิกเลยทุกวันต้องฝึกต่อมามาเจอหลวงปูด่ดูนนะค่อยมาเจริญปัญญาเป็น ก่อนนั้นทำแต่สมาธิมีศีลกับสมาธิทำสมาธิมาเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานทำมาจนอายุยี่สบแล้วเจ้าชายสิทธัตถาออกบวชแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยนะราะนาขนาดเรียนตามท่านแท้ๆนะไม่เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองหัดดูจิตทีแรกก็ยังดูไม่เป็น เสียเวลาอยู่สามเดือนเคยชินกับการทําสมถะไปหาดูจิตดูใจนั้วก็ไปทําจิตให้นิ่งนี่แหละดูจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตเอาไว้ให้สงบท่านไม่แหวจิตออกนอกแล้วก็จิตไว้ข้างในสงบรักษาไปเรื่อยจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ไม่เดินปัญญากลายเป็นว่าไปสงวนรักษาเอาตัวจิตผู้รู้เข้า นี่ฝึกอยู่สมเดือนอาหารดูจิต ท, ทีแรกดูผิดเนะเข้าไปแทรกแซงอาการของจิตไม่ให้มันปรุงมันแต่งเจอหลวงปูดด่ดูหนะหลวงปูดด่ดูลบอกใช้ไม่ได้คือเราสมาธิทำมาแต่เด็กนะจิตมีสมาธิอยู่แล้วท่านเลยสอนให้เดินปัญญาต่อเรากอไปกลับไปทำสมาธิด้วยการดูจิตขึ้นมาอีกท่านเลยว่าใช้ไม่ได้นี่บางคนถ้าไม่มีความสงบมาก่อนนะ นั่นก็ให้ดูจิตเป็นสมถะไปประคองให้นิ่งให้ว่างแล้วต้องมาเรียนต่ออีกไม่ใช่อยู่แค่นั้นหรอกคลองจิตให้นิ่งให้ว่างหรือสีชีพลายเมื่อทําได้ทําเก่งกว่าเราอีกอาลาราดาบทุตกระดาบทเลยทําได้มันไม่ได้เดินปัญญาจริงเลยหลวงปู่ดูลเคยสอนเราเนี่ยให้ดูสังขารดูสัญญาที่ปรุงแต่งจิตไม่ใช่ให้ดูจิตเฉยๆนะหลวงปู่มั่นก็สอนท่านมาอย่างนั้น หลวปูมั่นสอนหลวงปู่ดูล่สัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาเห็นไหมสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตานี่ดูจิตเขาดูตัวนี้ต่างหากไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆงนี่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูล่ก็สอนดูความปรุงของจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆงดูตัวจิตตรงตรไม่มีอะไรให้ดูนี่โล่งๆว่างๆ ก็จะเห็นเลยจิตมันปรุงขึ้นมานะแล้วก็อาศัยสัญญานั่นแหละก็ไปหมายเข้ามาหมายผิดผิดมีตั ว, ม, ตวมีตนขึ้นมาเป็นที่รองรับความทุกข์ขึ้นมานะถ้ารู้ความจริงนะจิตเห็นความจริงเลยปรุงแต่งทีไรก็ทุกทุกทีเลยนะเหมือนที่เจ้าชายศิทธัถะย้อนไปดูปรุงขึ้นมาก็เกิดนั่นแหละจิตปรุงจิตก็เกิดนะเกิดอะไรเกิดพบเกิดชาตินะจิตของเราปรุงทุกครั้งนะก็เกิดพบทุกที ปรุงดีก็เป็นภพดีปรุงชั่วก็เป็นภบชั่วปรุงโทสะขึ้นมาแล้วก็เป็นสัตว์นรกในขณะนั้นปรุงโมหะความหลงขึ้นมาแล้วก็เป็นเดรัจฉานในขณะนั้นปรุงความโอบมาแล้วก็เป็นเปรตในขณะนั้นปรุงศีลปรุงธรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นมนุษย์ปรุงความสุขจากคุณงามความดีเราก็เป็นเทวดาปรุงความสงบเราเป็นผลมใช่ไหยจิตนปรุงจิตมันปรุงแล้วก็ไฟหมายผิดผิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็มีตัวมีตนขึ้นมา อยากให้อย่างน้นอยากให้อยากให้ตัวให้ตนเป็นสุขอยากให้ตัวให้ตนพ้นทุกข์อยากไปเรืทุกข์หนักกว่ากก เ, าเก่าอีกยิ่งปรุงยิ่งทุกข์สังขารมันปรุงขึ้นมาสัญญาเข้าไปหมายผิดๆบางทีก็อาศัยสัญญาผุดขึ้นมาทําให้สังขารปรุงใช่ไสังขารปรุงขึ้นมาทําให้สัญญาทํางานก็ได้สัญญาทํางานขึ้นมาทําให้สังขารปรุงก็ได้ บางทีจิตก็ปรุงกิเลสบางทีกิเลสก็โปร่งจิตปร่งไปปร่งมานะอาศัยสัญญาเป็นตัวเชื่อมปรุงขึ้นมานี่เดินปัญญาก็เดินอย่างนี้ไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างการดูจิตดูใจไม่ใช่การปรุงแต่งจิตให้นิ่งให้ว่างคําว่าดูกับคำว่าปรุงแต่งคนละเรื่องกันอยู่แล้วนะงั้นถ้าเราจะาหาัดดูจิตดูใจนะอย่าไปปรุงแต่งมันเราดูจิตมันทํางานไปจิตนั่นแหละมันปรุงแต่ง แเราอย่าไปปรุงแต่งจิตตามรู้ความปรุงแต่งของจิตใจไปเรื่อยจิตใจมันปรุงสุขขึ้นมาแล้วก็รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะรู้สึกว่าเราสุขถ้ารู้ทันมันจะเห็นว่าความสุขก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตมันปรุงความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันนะจะรู้สึกจิตอยู่ส่วนหนึ่งความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งถ้ารู้ไม่ทันความทุกข์คล้ำงจิตจะรู้สึกว่าเราทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้ ไปหมายผิดๆขึนมามีสัญญาไปหมายผิดๆเป็นเราขึ้นมาจิตนะมันโลภขึ้นมานะมีสติรู้ทันนะใจเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายๆายายเห็นความโลภเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความโกรธความหลงก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีตัวไม่มีตนอะไรนะนี่หัดดูไปนะ ที่เราหัดดูจิตดูใจหรือหัดดูกายนะก็เพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาต้องตั้งเป้าให้ถูกเราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้เป้าหมายของงานใครเคยทํางานวิจัยบ้างลองยกมือให้ดูซิมีใครเคยทําวิจัยทําอะไรอเงี้ยจะทําวิจัยต้องชัดใช่ไหมทำอะไรเพื่ออะไรต้องชัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเราจะทําธุรกิจ ธุรกิจนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรธุรกิจใหญ่ๆก็ต้องวางเป้าหมายไว้ใช่ไหมปีนี้อยากได้กําไรเท่าไหร่ถ้าอยากได้กําไรพันล้านเนี่ยเรามีต้นทุนเท่าไหร่สภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงเราจะทําธุรกิจยังไงให้กําไรพันล้านเป้าหมายต้องชัดหลวงพ่อเมื่ก่อนอยู่สภาพความมันม่นคงสภาความมั่นคงแห่งชาติเวลาทําอะไรต้องคิดถึงวัตถุประสงค์ o b j e c t i v e ออบเจกติฟของชาติต้องการอะไรในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องและภายใต้ทรัพยากรภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่มีทรัพยากรงบประมาณศนะักยภาพทรัพยากรเวลาตัวแทรกแซงจากในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยเอามาคิดหมดเลยภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งหมดอย่างนี้แหละเราจะไปสู่ เป้าหมายสู่วัตถุประสงค์ได้ยังไงต้องวางชัดเจนเราก็จะรู้ทิศทางที่เดินการภาวนาก็เหมือนกันเราต้องรู้นะว่าเราภาวนาเนี้ยเป้าหมายแรกของเราเนี้ยเพื่อล erm ้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพระโสดาบันคือท่านผู้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราเห็นขันห้าเป็นเราเห็นเราเป็นขันห้ามีเราในขันห้ามีเรานอกจากขันห้า งั้นที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อจะมาล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานะเรามุ่งมาตรงนี้ไม่ได้ภาวนาเพื่อมุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่ภาวนาเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเนี่ยต้องชัดเจนนะถ้าเป้าหมายผิดล้วก็วก็เดินผิดลวถ้าเราภาวนาเราก็เอาจิตนิ่งจิตสงบจิตสว่างจิตอยู่ภายในนิรันดรเลยนะมันก็มุ่งไปอย่างหนึ่งมุ่งไปไหนไปปรมาโลก ไปเป็นเพื่อนอาราธดาบทกับอุทะกดาบทนะไม่ใช่คู่นี้ไม่ดีนะคู่นี้ชั้นเลิศเลยนะเสียดายตายเร็วเท่านั้นเองถ้าไม่ตายเร็วท่านจะเป็นพระอราหันต์คู่แรกของโลกหมายถึงพระสาวกนะเป็นอรหันต์พระพุทธเจ้า ม, มุ่งไปสอนคู่นี้ก่อนเลยเพราะบารมีมากกว่าเพื่อนเลยเหนือกว่าเป็ดปัญจวัคคียนะแต่ว่าพลาดตรงที่เดินจิตผิด เดินพลาดไปพรมโลกไปฝึกจิตให้นิ่งให้ว่างงั้นเราดูความปรุงของจิตไปเลยนะจิตมันปรุงสุขขึ้นมาก็รู้จิตมันปรุงทุกข์ขึ้นมาก็รู้ค่รู้ไปเรื่อยเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนมีเรามีเขาอย่างความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมันจะไม่รู้สึกว่าเราโกรธแต่มันจะรู้สึกว่าความโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาแล้วเป็นจิตที่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ถ้ารู้ไม่ทันนะความโกรธซึ่งจิตปลุงขึ้นมาเองนั่นแหละจะกลับมาปรุงแต่งจิตจะมาครอบงําจิตได้อีกถ้ารู้ทันนะความโกรธก็อยู่ส่วนความโกรธความโกรธจะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นผู้รู้ความโกรธก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาดูอย่างนี้เรื่อยๆไปความโลภเกิดขึ้นก็ดูไปอีกความโลภก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวนะ ความโลภเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโลภไม่ใช่จิตความโลภไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้ไม่ได้คิดเอานะแต่รู้สึกเอาเรารู้สึกแล้วถ้าถ่ายทอดเป็นคําพูดก็จะเป็นคําพูดอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้แหละจะเห็นเอ่อความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตมันก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพวกเราคนไหนรู้จักความโกรธบ้าง คนไหนรู้จักคนโกรธบ้างเห็นไคนโกรธเต็มเมืองเลยเห็นไมเนี่ยถ้าเราเรารู้จักมคนโกรธคนโกรธรู้สึกมีคนนะถ้าภาวนาเป็นจะไม่รู้สึกว่าคนโกรธหรือเราโกรธเห็นว่าความโกรธอยู่ส่วนความโกรธจิตอยู่ส่วนจิตใครคิดว่าความโกรธเป็นคนบ้างความรู้สึกโกรธเป็นคนมีไหมไม่มีหรอก ไม่มีใครรู้สึกว่าความรู้สึ ก, กโกรธเป็นคนนะมีแต่รู้สึกผิดผิดว่าคนโกรธหรือเรากโกรธแล้วรู้สึกผิดผิดนะไม่มีใครรู้สึกว่าความโกรธเป็นคนเลยความโลภความหลงก็ไม่ใช่คนใช่ไหมใครเห็นความโลภเป็นคนบ้างความโลภเป็นนามธรรมนะไม่ใช่คนหร อ, อกไม่ใช่คนใครรู้ลงไปเรื่อยๆนั้นก็จะเห็นเลสภาวะแต่ละอันแต่ละอันไม่มีคนหรอก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทุกอย่างที่จิตปรุงขึ้นมาไม่ใช่คนทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เข า, าดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะจิตมันเกิดปัญญามันปิ้งขึ้นมานะไม่มีคนไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีหรอกตรงที่จิตมันปิ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีนี่แหละได้ทระโสดาบันละล้างความเห็นผิดว่ามีสัตว์มีคนมีเรามีเขาล้างความเห็นผิดได้ด้วย ศีลด้วยสมาธิปัญญานี่แหละค่อยฝึกศีนต้องเข้มงวดนะเข้มงวดอย่าละเลยหลวงพ่อมีลูกศิษย์บางคนทุศีนเราพยายามแก้ไขหลายเดือนไม่สำเร็จยังไงก็ทุศีนฝึกมาชินสอนไม่ไหวก็ต้องเลิกสอนไปเรียนที่อื่นสอนไม่ไหวทุศีนเกินศีนจาเป็นมากเลย ไม่มีศีลอย่ามาพูดเรื่องสมาธิเลยไม่มีสมาธิแท้ๆอย่ามาพูดเรื่องปัญญาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาอย่ามาพูดเรื่องวิมุตต์เลยนะไม่มีหรอกนะนี่วิธีที่พวกเราจะรักษาศีล ใ, ให้สะดวกสบายนะมีสติรักษาจิตไว้คนเราทําผิดศีลได้นะั้นเพราะกิเลสมันครอบงาจิตนะรักษาศีลข้อเดียวเลยไม่ต้องรักษาหาข้อนะ รักษาศีลทีละห้าข้อเหนื่อยรักษาข้อดเดียวมีสติรักษาจิตไลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันนี่แหละวิธีรักษาศีลที่พิเศษที่สุดเลยความโกรธเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันรู้ทันแล้วความโกรธไม่ครอบงําจิตนะเราก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ดา่าใครความโลภเกิดขึ้นมาที่จิตมันมีสติรู้ทันอีก ความโลภไม่ครอบงามจิตแล้วก็ไม่ขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครไม่ไปพริ้นปล้นหลอกลวงใครแม้ศีลมันมีเองอะ่ะเมื่อรักษาศีลให้รักษาที่จิตจยรักษาง่ายจะฝึกสมาธิจะฝึกที่ไหนก็ฝึกที่จิตอีกไม่ใช่ฝึกที่มือที่เท้าที่ท้องนะฝึกที่จิตจิตนั่นแหละเป็นตัวหลักจะใช้อารมณ์กรรมาฐานไหนใช้ลมหายใจใช้มือใช้เท้าใช้ท้องใช้คําบริกรรมเรืองอะไรก็ได้ แต่ตัวสำคัญคือการฝึกจิตเช่นหัดพุทโธพุทโธไปนะจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งท้องพองยุบรู้ทันรู้ทันจิตที่ฟุ้งไปจิตที่ไหลไปเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปเรื่อยๆนะจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นได้สมาธิขึ้นมา ไม่มีสติรักษาจิตนี่แหละจะรักษาคนลำบ่มกับศีล น, นะถ้ามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเนืองๆ น, นะเราจะได้ได้ศีลรู้ทันมีสติรู้ทันความฟุง้งความไหลไปของจิตเนืองๆจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิขึ้นมาแม้ฝึกอยู่ที่จิตเองบางคนบอกไม่ชอบจิตจะดูกายไม่เข้าใจหรอกนั้นไม่เข้าใจหลักรักษายากนะรักษาศีลที่กายอ่ะ รักษาสี่ที่กายเช่นเดินคอยระวังจะเหยียบมดเดินทางนี้เดินทงนี้หัวไปโขกหลังพึ่งเขาเหมือจะก้มอ่างเงี้ยนะมีสติรักษาจิตนะมันจะคล่องแคล่วทั้งตัวเลยไม่ใช่จดจอ่อแล้ไปดูอยู่ที่พื้นอย่างเดียว ร, ร, รู้ตัวทั่วพร้อมเลยงนะ่อยมีสติรักษาจิตเรื่อยๆนะรู้ทันจิตไป เราไม่ต้องรักษาจิตสติจะทําหน้าที่รักษาจิตโดยอัตโนมัติให้เรามีสติรู้ทันจิตนั่นแหละแล้วสติจะรักษาจิตเองไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมาศีลก็เกิดขึ้นเพราะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้มีสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปฟุ้งซ่านไปจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมา นี่วิธีฝึกสมาธิที่ง่ายๆเลยมีศีลมีสมาธิแล้วมหัดเดินปัญญาจิตที่เราได้สมาธิแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแลรู้ลงในกายนะจิตไม่ไหลลงไปที่กายจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรารู้ลงไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์จิตไม่ไหลลงไปในความรู้สึกส вот ุขทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จะรู้ว่าความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรา กุศลอกุศลเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติระลึกรู้นะจิตไม่ไหลเข้าไปในความโกรธความโลภความหลงอะไรจิตอยู่ต่างหากเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่อแยกออกไปนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาสักที่หนึ่งเลยฝึกอย่างนี้มากๆหัดแยกธาตุแยกขันไปดูเลยร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ร่างกายที่สุขที่ทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขากุศลอกุศลไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหัดดูไปด้วยจิตเองเยัยไม่ใช่คนเลยจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งทําหน้าที่รู้อารมณ์ไม่ใช่คนเลยนะนี่หัดรู้มากๆนะมันจะนึงถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาได้ได้เป็นพระโสดาบันนะฉะนนพวกเราหัด ไว้ได้ศีลสมาธิปัญญานะมีสติรู้ทันกิเลสก็ได้ศีลมีสติรูท้ทันความฟุ้งของจิตได้สมาธิจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วไม่อยู่เฉยไม่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจดูความจริงของมันไปดูธาตุดูขันมันทำงานไปจะเห็นว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาฝึกอย่างนี้นะยได้ธรรมะ เล่นเดินอย่างอื่นเนาะอ้อมอ้อมเสียไปร่ำเวลาทำสมาธิติดความนิ่งความว่างนะเสียเวลาเป็นกับๆเลยพลมบางชนิดนะอายุตั้งหมื่นกพันกับนะระวังนะบางชนิดยาวกว่านั้นอีกเอาเชิญไปทานข้าว